สลดสังเวชผู้มีพระคุณสูงสุดจากไปด้วยสมาธิที่แน่นหนาและ ด้วยความเพียรด้านปัญญาอย่างจริงจังทําให้ท่านสามารถถอถอนกิเลสออกไปได้เป็นลําดับลําดับไปจนก้าวเข้าถึงความละเอียดอ่อนของจิตและเห็นอวิชชาในจิตเป็นของอัศจรรย์เป็นของน่ารักน่าสงวนน่าติดข้องน่าเฝ้ารักษาอยู่อย่างนั้นเป็นอัศจรรย์ทั้งวันทั้งคืน ระยะนี้อยู่ในช่วงสี่เดือนก่อนหน้าที่ท่านอาจารย์มั่นจะมรณภาพท่านมีโอกาสอยู่จำพรราร่วมกับท่านอาจารย์มั่นโดยลำดับดังนี้บ้านโคกหนึ่งพรรษาบ้านนามน์หนึ่งพรรษา บ้านโคกอีกหนึ่งพันศาและแห่งสุดท้ายที่บ้านน้องผือห้าพันศาสำหรับวันมรณภาพของท่านอาจารย์มั่นตรงกับเวลา สองนาฬิกายี่สิบสามนาทีของวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยก้าสิบสองณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสิริรวมอายุได้แปดสิบปียังความสลดสังเวชแก่ท่านอย่างเต็มที่ด้วยเพราะท่านทราบดีว่า ถึงแม้สติปัญญาจะเป็นอัตโนมัติหมุนตลอดทั้งวันทั้งคืนหรือแม้จิตจะละเอียดเพียงใดแต่ยังมีภาระการงานทางใจอยู่ยังต้องการครูบาอาจารย์ที่เป็นที่ลงใจและสามารถช่วยชีย้แนะจุดสำคัญที่กำลังติดอยู่นี้ให้ผ่านพ้นไปได้ท่านเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า วันท่านอาจารย์มั่นมรณภาพได้เกิดความสลดสังเวชอย่างเต็มที่จากความรู้สึกว่าหมดที่พึ่งทางใจแล้วเพราะเวลานั้นใจก็ยังมีอะไรอะไรอยู่และเป็นความรู้ที่ไม่ยอมจะเชื่ออุบายของใครง่ายๆด้วยเมื่อชี้ไม่ถูกจุดสำคัญที่เรากำลังติดและ พิจารณาอยู่ได้อย่างท่านอาจารย์มั่นเคยชีย้ซึ่งเคยได้รับผลจากท่านมาแล้วทั้งเป็นเวลาเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ด้วยฉะนั้นเมื่อท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วจึงอยู่กับหมู่คณะไม่ติดคิดแต่จะอยู่คนเดียวเท่านั้นจึงพยายามหาที่อยู่โดยลำพังตนเองและได้ตัดสินใจว่า จะอยู่คนเดียวจนกว่าปัญหาของหัวใจทุกชนิดจะสิ้นสุดลงจากใจโดยสิ้นเชิงจึงจะยอมรับและอยู่กับหมู่เพื่อนต่อไปตามโอกาสอันสมควร ความอาไายอวณ์ถึงครูบาอาจารย์อย่างสุดหัวใจนี้เป็นเพราะท่านมีความเคารพรักและเลื่อมใสท่านอาจารย์มั่นอย่างสูงสุดขณะเดียวกันก็รู้สึกหมดหวังหมดที่พึ่งทางใจระคนกันไปแต่แล้วท่านก็กลับได้อุบายต่างๆขึ้นมาในขณะนั้นว่าวิธีการสั่งสอนของท่าน เวลามีชีวิตอยู่ท่านสั่งสอนอย่างไรต้องจับเงื่อนนั้นแล้วมาเป็นครูสอนและท่านเคยย้ำว่าอย่างไรยันหนีจากรากฐานคือผู้รู้ภายในใจเมื่อจิตใจมีความรู้แปลกๆซึ่งจะเกิดความเสียหายถ้าเราไม่สามารถพิจารณาความรู้ประเภทนั้นได้ให้ย้อนจิตเข้าสู่ภายในเสีย อย่างไรก็ไม่เสียหายเมื่อการมรณภาพของท่านอาจารย์มั่นผ่านไปผู้คนที่อยู่แวดล้อมเรือนร่างองค์ท่านอาจารย์มั่น ก็เริ่มเบาบางลงโอกาสเช่นนั้นท่านจึงเข้าไปกราบที่เท้าและนั่งรำพึงรำพันปรงความสลดใจสังเวชน้ำตาไหลนองอยู่ปลายเท้าเกือบสองชั่วโมงพร้อมทั้งพิจารณาธรรมในใจของตนกับโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่น ให้ความเมตตาอุตสาห์สั่งสอนมาเป็นเวลาถึงแปดปีที่อาศัยอยู่กับท่านว่าการอยู่เป็นเวลานา น, านถึงเพียงนั้นแม้คู่สามีภรรยาซึ่งเป็นที่รักยิ่งหรือลูกลูก ผู้เป็นที่รักของพ่อแม่อยู่ด้วยกันก็จะต้องมีข้อข้องใจต่อกันเป็นบางการแต่ท่านอาจารย์กับสิทธิ์แต่ท่านอาจารย์กับสิทธิ์ที่มาพึ่งร่มเงาของท่านเป็นเวลานา น, านถึงเพียงนี้ไม่เคยมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเป็นที่เคารพรักและเลื่อมใสหาประมาณนี้ได้ ท่านก็ได้จากเราและหมู่เพื่อนผู้หวังดีทั้งหลายไปเสียแล้วในวันนั้นอ น, นิจจาวัตสังขาราเรือนร่างของท่านนอนสงบนิ่งอยู่ด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสและอะไรยิ่งกว่าชีวิตจิตใจซึ่งสามารถสละแทนได้ด้วยความรักในท่าน กับเรือนร่างของเราที่นั่งสงบกายแต่ใจวันไหวอยู่ด้วยความหมดหวังและหมดที่พึ่งต่อท่านผู้จะให้ความร่มเย็นต่อไปทั้งสองเรือนร่างนี้ รวมลงในหลักธรรมคืออนิจจาอันเดียวกันต่างก็เดินไปตามหลักธรรมคืออุปชิตตวานิรุชันติเกิดแล้วต้องตายจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ส่วนท่านอาจารย์มั่นท่านเดินแยกทางสมมุติทั้งหลายไปตามหลักธรรมบทว่าเตสังบูปะสมูสุขโข ท่านตายในชาติที่นอนสงบให้สิทธิ์ทั้งหลายปลงธรรมสังเวชชั่วขณะเท่านั้นต่อไป ท่านจะไม่มาเป็นบ่อแห่งน้ำตาของลูกศิษย์เหมือนสมมุติทั่วทั่วไปเพราะจิตของท่านที่ขาดจากภพชาติเช่นเดียวกับหินที่หักขาดจากกันคนละชิ้นจะต่อให้ติดกันสนิทอีกไม่ได้ฉะนั้นท่านนั่งรำพึงอยู่ด้วยรู้สึกหมดหวังในใจว่า ปัญหาทั้งหมดภายในใจที่เคยปลดเปลื้องกับท่านบัดนี้เราจะไปปลดเรื่องกับใครและใครจะมารับปลดเปลื้องปัญหาของเราให้สิ้นซากไปได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์มัน่นไม่มีแล้วเป็นกับตายก็มีเราคนเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกับหมอที่เคยรักษาโรคเราให้หายไม่รู้กี่ครั้ง ชีวิตเราอยู่กับหมอคนเดียวเท่านั้นแต่หมอผู้ให้ชีวิตเรามาประจำวันก็ได้สิ้นไปเสียแล้วในวันนี้เราจึงกลายเป็นสัตว์ป่าเพราะหมดยารักษาโรคภายใน